หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาเนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมธให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒชัยดีตอนที่สวิธีปฏิบัติ9ประการเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่สาม จงพูดถึงความผิดของท่านก่อนเมื่อไม่กี่ปีมานี้หลานสาวของข้าพเจ้าโยเซฟฟินคานิกีเดินทางจากบ้านของหลอนในนครแคนซัสมานครนิวยอร์กเพื่อทำหน้าที่เลขานุกการของข้าพเจ้าหลอนมีอายุ19ปีสำเร็จจากไฮสคูลเมื่อสามปีที่แล้ว ซึ่งความรู้ในเรื่องงานทางธุรกิจของหล่อนดีกว่าศูนย์เล็กน้อยปัจจุบันนี้หล่อนเป็นเลขานุ ก, การเที่ยวชาญที่สุดคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับความสําเร็จอันยอดเยี่ยมในหน้าที่นี้โดยทํางานอยู่ทางตะวันตกของคลองสุเอตแต่เมื่อตอนแรกเริ่มปฏิบัติงานหล่อนทําผิดบ่อยๆจนไม่มีท่าทีว่าจะก้าวหน้าไปได้ไกลถึงเพียงนั้นวันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าติเตียนในความผิดของหล่อนเป็นครั้งแรกครั้นแล้วข้าพเจ้ามารำพึงเดี๋ยวก่อนเดลคาเกนกี้ เพียงนาทีเดียวเท่านั้นแก่แก่ ก, กว่าโยเซฟฟินตั้งเท่าตัวแก่มีความรู้ความชํานาญในธุรกิจมากกว่าหล่อนตั้งหมื่นเท่าเมื่อเช่นนี้แกหวังได้อย่างไรที่จะให้หล่อนมีแง่คิดเห็นเหมือนแกมีความรู้เหมือนแกมีความคิดริเริ่มเหมือนแกเป็นธรรมดาที่หล่อนจะพึงมีสิ่งเหล่านี้ในขีดพอประมาณเท่านั้นเดี๋ยวก่อนเดวเมื่อแกอายุ19ปีแกเป็นอย่างไรบ้างแกจําได้ไหมว่าแกเคยทําความผิดอย่างโง่เง่ามาอย่างไร จำได้ไหมว่าในตอนนั้นแกทำอย่างนี้และอย่างนั้นหลังจากคิดทบทวนไปมาด้วยความสุจริตใจและเที่ยงธรรมข้าพเจ้าลงความเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบตัวข้าพเจ้าตอนอายุ1 9กับโยเซฟฟินในเวลานี้โยเซฟฟินมีภาษีกว่าข้าพเจ้ามากและด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าเสียใจที่จะสารภาพว่าข้าพเจ้ามิได้ยกย่องโยเซฟฟินเท่าที่ควร ดังนั้นหลังจากได้คิดเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าต้องการให้โยเซฟฟินเอาใจใส่ต่อความผิดพลาดของหล่อนข้าพเจ้าจะบอกหล่อนด้วยพูดเธอได้ทำผิดอีกแล้วละ่ะโยเซฟฟินแต่พระเจ้าย่อมรู้ดีว่าไม่ได้ผิดมากมายเหมือนที่อาเคยทำผิดมาแล้วเธอไม่ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับดุลพินิษดุลพินิษเกิดขึ้นจากการทำงานนานๆจนชำนาญและเธอมีมันมากกว่าเมื่อครั้งอาอายุเท่าเธอเสียอีก อาเองเคยทำอะไรต่ออะไรผิดอย่างโง่เซอะมามากต่อมากเหตุนี้สิอาจึงไม่อยากจะตำหนิติเตียนเธอหรือใครๆทั้งนั้นแต่นั่นแหละขอให้เธอใช้ความคิดบ้างว่าจะเป็นการฉลาดกว่านี้ไหมถ้าเธอทำอย่างนั้นและอย่างนี้ท่านจะไม่รู้สึกขุนเคืองอย่างใดเลยในการที่จะฟังใครคนหนึ่งตำหนิติเตียนท่าน ในเมื่อเขาผู้นั้นเริ่มพูดด้วยการยอมรับอย่างอ่อนโยนว่าเขาในทํานองเดียวกันไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปจากการกระทําผิดอย่างไม่มีที่ติเสียได้บรินฟอนบูโลผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนมองเห็นความจำเป็นที่จะใช้วิธีนี้เมื่อปีคิตศกัราช1909ตอนนั้นฟอนบูโลเป็นอัครมหาเสนาบดีของประเทศเยอรมนีและพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าวินเฮมที่สอง วินเฮมผู้หญิงธนงวินเฮมผู้อวดดีวินเฮมผู้เป็นไกเซอร์องค์สุดท้ายของชาวเยอรมันและเป็นผู้สร้างแสนยานุภาพกองทัพ บ, บกและเรืออันมหาศาลซึ่งพระองค์ได้คุยโม้ไว้ว่าจะสามารถกระโจนเข้าใส่โประปักให้แหลกลานอย่างง่ายๆครั้นแล้วมีสิ่งอันควรตื่นเต้นปรากฏขึ้นกล่าวคือพระเจ้าไกาเซอร์พูดบางอย่างพูดในสิ่งที่ไม่มีใครคิดฝันคําพูดซึ่งเขย่าวคอนติเนนวงเล็บเปิด ยุโรปทั้งหมดนอกจากอังกฤษวงเล็บปิดให้สั่นสะเทือนและเป็นการจุดชนวนสงครามและวาทะนี้ได้ดังกึกก้องไปทั่วโลกพระองค์กล่าวถ้อยคำนี้ท่ามกลางประชาชนขณะพระองค์อยู่ในประเทศอังกฤษเป็นการกล่าวอย่างขาดความรอบคอบยกตัวและเป็นการคุยโวอย่างหน้าขันทั้งนี้เป็นเหตุให้สถานการณ์ของโลกเข้าสู่ภาวะที่เลวยิ่งขึ้นและพระองค์อนุญาตให้หนังสือพิมพ์เดลีเทลกราฟ นำคำพูดนี้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้คำพูดของพระองค์มีว่าพระองค์เป็นชาวเยอร ม, มันแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความรู้สึกเป็นมิตรต่อชาวอังกฤษว่าพระองค์สร้างแสนยานุภาพทางนาวีเพื่อต่อต้านการคุกคามของญี่ปุ่นว่าพระองค์และพระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้นได้ช่วยประเทศอังกฤษไว้จากการลบลู่ดูมิ่นของรัสเซียและฝรั่งเศสว่าเนื่องจากแผนการสงครามของพระองค์จึงสามารถหนุนให้หลอดรอเบิร์ต ของอังกฤษได้ชัยชนะการรบกับพวกบัวในแอฟริกาใต้และอื่นๆอีกมากในระยะเวลาหนึ่งปีล่วงมาแล้วในยามสงบไม่เคยมีคำพูดของกษัตริย์ผิวขาวองคใดเผยเยอะปากกล่าววาจายอย่างแปลกประหลาดเช่นนี้ทั่วคอนติเนนตต่างกระซิบกระซาบกันด้วยความขุ่นเคืองเหมือนเสียงแตนถูกแย่รังทางอังกฤษเองก็รู้สึกเดือดไม่น้อยรัฐุรุษของเยอรมันต่างตะลึงงนันและท่ามกลางความหวาดสะดุง้ง ซึ่งแผ่ซ่านอยู่ทั่วพิภพพระเจ้าไกเซอร์เกิดตกใจในการกระทำของพระองค์พระองค์จึงเสนอความคิดแก่ฟรินฟอนบูโลอัครมหาเสนาบดีว่าพระองค์จะโทษฟนฟอนบูโลในเรื่องที่พระองค์ได้พูดไปแล้วพระองค์ปรารถนาจะให้ฟอนฟอนบูโลประกาศว่าเขาเป็นผู้แนะนำให้พระองค์พูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นครึกโครมและจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวแต่ใต้ฝา่าละองทุรีพระบาท ฟอนบอโลคัดค้านข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่มีมนุษย์คนใดในประเทศเยอรม น, นีหรือประเทศอังกฤษเชื่อว่าข้าพระพุทธเจ้าเก่งกล้าสามารถพอที่จะแนะนําใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทให้ตรัสเช่นนี้ขณะแรกที่ฟอนเบอร์โลกล่าวคําพูดนี้เขาตระหนักว่าผิดพลาดไปแล้วพระเจ้าไกเซอร์โกรธเป็นฟืนเป็นไฟท่านคิดว่าฉันเป็นไอ้ลากระมังพระองค์ร้องลั่นฉันจึงทําผิดในสิ่งที่ท่านไม่ทําอย่างนั้นเลย บ, บือโลรู้ดีว่าเขาควรยกย่องสรรเสริญพระเจ้าไกรเซอเสียก่อนแล้วจึงจะตำหนิพระองค์แต่เนื่องจากมันสายไปเสียแล้วดังนั้นเขาจึงทำในสิ่งที่เขาเห็นว่าดีที่สุดเขาสรรเสริญพระเจ้าไกเซอหลังจากติเตียนพระองค์ปรากฏว่าเกิดผลอย่างน่ามหัศจรรย์ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกพระยาค่ะเขาตอบอย่างเคารพ ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระปรีชาสามารถกว่าข้าพระพุทธเจ้าในประการต่างๆร้อไม่เพียงแต่ในทางความรู้ด้านทหารบกและทหารเรือหากยังทรงพระปรีชาสามารถกว่าแม้ในเรื่องวิทยาศาสตร์นานาช น, น, นิดข้าพระพุทธเจ้ามักจะฟังใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทด้วยความรู้สึกสรรเสริญเมื่อใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงอธิบายให้ข้าพเจ้ารู้ถึงเรื่องเครื่องวัดความกดของอากาศบงเล็บเปิดบารอมิเตอร์บงเล็บปิดหรือเรื่องวิทยุโทรศัพท์ หรือเรื่องแสงเรือนเย็นวงเล็บเปิดเอ็กซเรย์วงเล็บปิ ด, X ray, ปดข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกละอายมากที่ไม่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆทุกสาขาไม่เอาใจใส่กับเคมีสตรีหรือฟิสิกส์แม้แต่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ง่ายๆข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะอธิบายได้แต่ฟอนเบโลกล่าวต่อไปข้าพระพุทธเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองอยู่บางประการซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในทางการเมืองโดยเฉพาะทางการทูต พระเจ้าไกเซอร์ใบหน้ายิ้มแย้มในทันทีฟอนบูโลได้สันเสริญความปรีชาสามารถของพระองค์ฟอนบูโลยกพระองค์เสียสูงและลดตัวของเขาให้ต่ำลงการกระทำเช่นนี้พระเจ้าไกเซอร์พอใจยิ่งซึ่งพระองค์สามารถให้อภัยโทษในทุกๆ ก, กรณีฉันไม่ได้บอกท่านเสมอๆดอกหรือพระองค์พูดเสียงดังแรงด้วยศรัทธาแก่กล้าว่าเราต่างร่วมมือกันอย่างแน่นสนิท จนกิตติศัพท์เรื่องเือไปทั่วเราจะสมัครสมานกลมเกลียวกันเสมอและเราจะเป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์จับมือฟอนบลโลเขยา่าไม่ใช่เขย่าเพียงครั้งเดียวแต่หลายครั้งต่อมาอีกในวันนั้นศรัทธาของพระองค์แก่กล้าขึ้นจนพระองค์ถึงกับร้องดังด้วยกำมือแน่นถ้าใครมาพูดกับฉันเป็นการกล่าวโทษปรินฟอนบลโลฉันจะกระแทกหน้าเจ้าหมอนั่นให้ถูกเพลงตรงจมูกทีเดียว ฟอนเบโลช่วยตัวของเขาให้หลุดพ้นทันเวลาก็จริงแต่ในฐานะนักการทูตผู้เฉลียวฉลาดและลือนามอย่างไรก็ตามเขาได้กระทำผิดอยู่อย่างหนึ่งเขาน่าจะตั้งต้นโดยพูดถึงความบกพร่องของเขาเองและสรรเสริญเกียรติอันสูงส่งของพระเจ้าไกาเซอร์ไม่ใช่บอกพระเจ้าไกาเซอร์อย่างไม่อ้อมค้อม ว่าพระองค์ยังขาดปริชายานซึ่งจำเป็นต้องมีผู้คอยพิทักษ์ดูแลถ้าหากว่าคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคในการถ่มตัวและการยกย่องสรรเสริญสามารถเปลี่ยนพระเจ้าไกเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกศบประมาทให้กลายเป็นมิตรที่ดีได้ลองตรวจดูเถิดว่า ถ้าหากท่านและข้าพเจ้าใช้คำพูดถ่อมตัวและยกย่องสรรเสริญในความสัมพันธ์ประจำวันของเรากับผู้อื่นจะบังเกิดประโยชน์แก่เราสักขนาดไหนการใช้วิธีนี้ด้วยความถูกต้องเหมาะสมจะเกิดผลอันมหัศจรรย์อย่างแท้จริงในมนุษยสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองกฎที่สมีดังนี้จงพูดถึงความผิดของท่านก่อนแล้วจึงตําหนิตีเตียนผู้อื่น